แต่ถ้าเราเอาวาระคุมจิตและสิ่งที่กระทบจิตเด็กเขามีอารมณ์น้อยครับอารมณ์ก็ไม่มากความจำเขาไม่มากนั้นยิ่งเด็กเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ถ้าเด็กเกินไปมันก็ก็อีกเรื่องนะรตรงข้ามครับเราอายุ ม, มากๆเราสั่งสมประสบการณ์มากเราคิดมากจิตสมนึกของเราสลับซับจ้อนทางออกของเราจึงนุนนังัวพันหลั เราบางทีปัญหาของเราอยู่ตรงเราอยากเป็นอรหันด้วยแล้วอยากมีกิเลสพร้อมกันด้วยครับคือ <laughs> เรามีเงินเพิ่ากด้วยมันมันเลยต่อแยเหมือนเหมือนอะไรบางสิ่ ง, งซึ่งซึ่งเป็นฝักฝายอยู่ตลอดเวลาตัวอย่างเหล่านี้มีมากเลยครับต้องคลข่าที่ศึกษามันมีเรื่องในแผ่นดินจีนนะครับน่าสนุกไม่เพียงสนุกอย่างเดียวนะครับชวนคิดว่า ด้วยประสิทธิภาพงการสอนอันแม่นฉมังของคณาจารย์นิการเซนอะไรเหล่านี้นะครับสิ่งละมักจะฟังมาในเรื่องตลกขบขนันฝรั่งเจอหน้ากันก็ถามว่าเล่าเรื่องเซ น, นผมฟังเป็นเรื่องที่เขาคิดว่าเป็นเรื่องตลกครับเว่าเรื่องราวเหล่านั้นชวนชวนคิดในแง่ตลกเช่นอาจารย์ถีบลูกศิษย์เต็มแรงแล้วก็บรรลุธรรมอะไรรองนี้นะแต่แท้จริงเรื่องเหล่านี้มีดา่าดื่นในพิวิโดกฝ่ายบ้านเรานะครับ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 ในใจของเรานั่นเองไม่ใช่เรื่องตําำหรับตำลามีเรื่องหนึ่งที่เขาวาดเป็นภาพพระกราบรงแรมครับพอท่านไปไปศึกษาเซนจากอาจารย์จ้างสอนว่าต่อไปนี้เธอก็อย่ามีใจนะคือใจมีแต่ว่าอยาให้มันมีขึ้นมาอะไรบุนองนั้นเนี้ยท่านก็เดินนเรื่องเรื่อ ง, อ ง, อ ง, องกําหนด เรื่องไม่มีใจมาเรื่อยมางเงินมาผ่านโรงโรงแรมโรงพักคนเดินทางครับสตรีที่เป็นนักร้องก็าร้องเพลงเกี่ยวผู้ชายนะครับในเนื้อเพลงบอกว่าถ้าเธอไม่มีใจต่อฉันเราก็สิ้นสุดกันพระองค์นั้นได้ยินอีกแบบนี้ครับเข้ากับอ า, ารมณ์ท่านพอดีท่านว่ากันว่าท่านบรรลุธรรมที่ตรงนั้นเป็นนึกขอบคุณเหตุการณ์และผู้หญิงที่ร้องเพลงคือถ้าไม่มีเธอร้องวันนี้ก็ไม่มีท่านวันนี้เหมือนกันแล้วไม่รู้จะกล่าวอะไรหรือกราบโรงแรม ฟังดูตลกแต่ผมคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องตลกครับอยกรณีที่สังคปริยรก้วยหลางซึ่งสมัยเป็นเด็กหนุ่ ม, มาอายุน้อยๆกลับจากตัดฟืนครับแล้วก็ผ่านบ้านหลังหนึ่งมีคนท่องวัชระเฉตที่กระสูตรบังเอิญพอมาถึงประโยคที่ว่าคนเราควรจะใช้จิตให้เป็นอิสระทุกเมื่อเท่านั้นนะครับท่านสว่างสวในชีวิต สิ่งสําคัญมากก็คือแสงสว่างในตัวเรานะครับจิตใจของเราที่หมกงุ้นอยู่กับเรื่องของวัตถุมากมันทาให้แก้วใจผมใช้คำว่าแก้วใจนะอับแสงมันไม่ทํางานเหมือนกับมีแก้วดวงหนึ่งโครนมันหมกหมกโครนอยู่แสงสว่างมีอยู่แววอลหรือที่เรียกว่าน้ําเพชรขอ ม, มันมีอยู่แต่ไม่ทํางานครับเพราะมันถูกปกคลุมอยู่ นั้นการภาวนานั้นไม่ใช่เลยอื่นครับก็คือการลอกสิ่งที่ปกคลุมออกและสิ่งที่ปกคลุมเป็นชั้นๆนี่นมากับความคิดครับมันไม่ใช่ตัวความคิดแต่มันมากับความคิดเหมือนกับว่าที่คโคลนไม่ใช่รองเท้าครับแต่ทุกครั้งที่เราเดินขึ้นมามันพามาด้วยแต่การภาวนาที่แม่นฉมังตามความสึกส่วนทวงองนะและปราดถนาบรรลุผลไม่ใช่เพียงจะเป็นนักปลาด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 สงสารตัวเองขึ้นมาเนื่องจากเรื่องในละครนั้ น, น, นทุกครั้งที่ความคิดเกิดความคิดนำสิ่งที่อาสวะเข้ามาอาสวะก็ไหลต่อเนื่องเหมือนลําธารซึ่งไหลลึกยากที่จะจัดการมากครับดังนั้นยุทธศาสตร์ในการภาวนาคนือ ก, การเร้าความรู้สึกสดๆครับผมใช้คําพูดนี้อาจจะฟังแปลกใหม่สำหรับบางท่านแต่ถ้าคนที่คุ้นเคยจะรู้ว่า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 ในตัวมนุษย์เรามีสองระบบนะ ร, บระบบหนึ่งระบบที่มันจะแปลงสิ่งที่มันประสบให้เป็นมโนภาพเพื่อเพื่อมิติที่ลึกของชีวิตเป็นการงานของสมองและพลังอำนาจของสมองในการสร้างจินตนาการนั้นมหาศาลใน ม, มนุษย์นะฮะยิ่งกว่าสัตว์พอพันใดทั้งสิ้นครับช้างมหาวัวไฟช่วยไม่ได้นั่นนะครับเมื่อเด็กเล็กๆพอรู้ความได้เนี่พลังจินตนาการเขามากมายนลครับเขาจินตนาการ ถึงข้างหน้าถึงอดีตได้ในขณะที่เผ่าพันธุ์สัต์อื่นนั้นทําได้น้อยมากครับ ด, ดังที่ผมบอกแล้วว่าพลังจินตการได้เป็นรากฐานอารยธรรมของมนุษย์แต่ภายใต้การพัฒนาการอารยธรรมนั่นเองสงครามครั้งแล้วครั้งเล่าการห้ามหันกันเนะครสงครามใหญ่ๆสองครั้งมนุษย์ตายเป็นเบื่อเลยนะสงครามย่อยๆเป็นล้านครั้งสงครามระหว่างเผ่า สงครามครั้งหน้าจะเป็นไรเรายังไม่รู้เนื่องจากประสิทธิภาพของมโนโภของพลังจินตนาการพลังจินตนาการเลยให้ทั้งคุณนั้งโทษเด็ดเสร็จนะครับมันมีคนไปถามอันเบอร์ไอนสไตน์ว่าให้ช่วยขยากรครามโลกครั้งหน้าเขาบอกเขาขยากรไม่ได้แต่ถ้าครั้งที่สี่แล้วได้คือมนุษย์จะเริ่มใช้ก้อนหินทุกหัวกันกนี่คนเนี่คือมนุษย์จะสูญเผ่าพันธุ์แล้วต้องเริ่มต้นกันใหม่นะ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 จะเปรียบเหมือนกับว่าทางเดินในป่าซึ่งคนเขาเคยเดินมาสิบปีต่อมาหมู่บ้านร้างครับทางก็เริ่มค่อยๆ่ติดหญ้าก่ อ, ค, อ, ค, อค่อยขึ้นทางยังมีอยู่ครับแต่ไม่มีคนเดินอีกแล้วครับเราไม่เคยดึงเอาอพลังบริสุทธิ์ของสัมผัสนั้นมาใช้ในการงานแต่เราใช้ความคิดตลอดจะล้างชามโลาก็ล้างซีซ่วอล้างให้มันจบจบเราคิดโน่นคิดนี่คิดโน่นคิดนี่มาตลอดเวลาแทนที่จะประมวลความรู้สึกสดสัมผัสน้ํำเย็น ล้างโดยไม่ต้องขึ้นกับการเวลาแต่ไม่ใช่เสแสร้งมันเนิบช้านะล้างตามปกตินี่เองครับในสุดระบบสัมผัสจะกลับคืนมานะฮะหายคนพบว่าเมื่อเราล้างชามด้วยระบบสัมผัสเราไม่ไม่หยุดแค่ล้างชามครับเราก็ลังตามติดรอยบาทของพระเจ้าไปด้วยครับนี่ไม่ใช่คาโฆษนาชวนเชื่ อ, อยาสีฟันยี่ห้อใหม่นะครับแต่เป็นข้อเท็จจริงที่ว่าเมื่อเราสมรวมตัวเรามาดีพอนะครับ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 ปิดมาตั้งแต่เกิดเลยเรื่องกระดองเต่ากับเต่านั้นเป็นเดียวกันไม่มีกระดองเต่าไม่มีครับเต่าไม่มีกระดองก็หมดความเป็นเต่า ท, าทันทีมนุษย์กับสภาพปกติเหมือนกระดองเตาง่ากับเต่าถ้าจะพูดว่าตัวเราที่แท้จริงคือใครครับคือสภาวะปกติครับและปกติอย่าถามผมนะว่ามันปกติยังไงปกติคือปกติครับเพราะว่าความปกตินี้มันมันจะบอกตัวมันเองครับมันเหมือนมันมีปาก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 เมื่อพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อไวยมิงนะออกติดตามสังฆปรินายกที่ยังไม่ได้บวชไยหลังนะครับเมื่อจวนตัวท่านวางบาตรเพราะว่านักบวชคนนั้นประสงค์บาทและจีวรของเชื่อกันว่าเป็นของธธพระพุทธเจ้าพระภิกษุไวยมิงก็กราบอุบาสกน้อยที่ต่อมาเป็นสังฆปริณายกว่าช่วยสอนธรรมะท่านทีคืออะไรกันแน่สังฆปรินายกองนั้นก็บอกว่า เธอทมจิตใจให้อยู่เหนือดีเหนือชั่วแล้วก็ย้อนรอยไปสู่ภาวะที่ก่อนเกิดก่อนบิดามารดาพบกันนั่นคืออะไรนี่ไม่ใช่รหัสปริศนาธรรมดานะฮะไม่ใช่ทายเล่นสนุกแต่เป็นการย้อนลึกเข้าไปภาวะก่อนเกิดเพราะว่าก่อนเกิดมีเบ็ดเสร็จในตัวเราคือก่อนเกิดเรื่องเหมือนว่าก่อนเกิดการปุงแต่งขึ้นมาคงคงไม่มีถอยคาใดครับที่จะแจกแจงใหเปิดเผย ถึงภาวะนี้ได้ถ้าเปิดเผยได้ด้วยคําพูดมันไม่ใช่เพราะว่าก่อนเกิดเพราะว่าก่อนเกิดก็ต่อมเมื่อสิ้นสุดคำอธิบายสิ้นสุดความคิดปุงแต่สิ้นสุดความทะยอทยานสิ้นสุดการไขว่คว้าต่างๆแล้วครับฟังแล้วดูเหมือนเป็นเงาทยอดแสนเข็นนะครับตอนที่สุดเราพบว่าไม่มีทางออกอื่นใดเลยสำหรับมนุษย์อริมักเองแปะ ทางเงินประเสริญนั้นไม่ได้อยู่นอกตัวเลยครับต่อให้แจกแจงเป็นแดข้อแปประการก็ตามแต่แล้วมันคือจิต ด, ดวงเดียวนะครับทางออกที่อื่นมันจะเป็นทางออกไปได้อย่างไรครับถ้าว่าไม่มีทางออกแต่เดิมทีนะครับในตัวมนุษย์มนุษย์จะไม่มีความหวังใดๆทั้งสิ้นเลยครับผมเชื่อว่าโลกวิถีชีวิตในโลกนี้ไม่ใช่คำตอบ เรกำังดําเนินชีวิตยอยู่ในทางซึ่งไม่มีคําตอบครับแล้วก็หนุมันจะวกวอนไม่มีที่สิ้นสุดด้วยครับผมอาจจะพู ด, ดตามเพลินใจตัวเองตามที่รู้สึกนะครับบางท่านอาจจะคิดว่านี่ไม่จริงเลยเรามีความหวังเราก็ลังแต่งงานใหม่เรากำลังได้รถยนต์คันใหม่แต่ขอให้ดูดีๆนะครับขอดูดีๆไปสิ่งอันนี้มันจะใหม่อยู่ตลอดกาลหรือไม่นะครับมันจะใหม่อยู่ทุกๆวันหรือไม่อย่างนั้นดูกันไปครับ แต่ถ้าเป็นอายตนะสิ้นทุกโอ้ผมว่ามันหมันมันเป็นอะไรซึ่งไม่อยู่ในเครือองการเปลี่ยนแปลงครับเรามาดูง่ายๆจากความรู้สึกสดผมอ้างถึงความรู้สึกสดนะครับความรู้สึกสดๆคือความที่มันสดๆไม่รู้จะพูดอะไรดีเนะียความที่มันไม่อยู่ในเครือองความทรงจำนะํำความรู้สึกสดสดความรู้ตัวสดๆอนนี้ไม่มีเพศครับมันจับอยู่ที่ร่างกาย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 ถามันเป็นอะไรไม่มีใครรู้ครับเช่นเดียวคําถามหลายคําถามที่ว่าอะไรเป็นอะไรหลายเรื่องที่เราตอบไม่ได้นะครับแม้แต่คําถามทําไมเราจึงพูดได้และที่ร้ายที่สุดคือทีอ่ทำไมความรู้สึกตัวยังปรากฏที่เราคําถามมันดูคล้ายๆบัญญาอ่อ น, นลองถามตัวเองดูว่าความรู้สึกตัวจริงๆของเราเป็นอะไรเราเพราะวถ้าเราถามย้อนลึกเข้ามาในตัวเองนะี่ย สมองเราอย่างเงียบทันทีมันจะหายซุกสนทันทีครับปกติสมองเรามันจะเตลิดเปิดเปินเรานั่งเราชอบปล่อยบางครั้งเราใช้คำว่าจิตแทนสมองนะครับคือสิ่งที่ทําหน้าที่คิดนึกลราปล่อยปละความคิดก็เดินไปตามตามใจปรารถนาของมันในที่สุดวันหนึ่งก็กลายเป็นนิสยัตสยติดคิดเมื่อมีนิสัยติดคิดแล้ว ดูจะเป็นเรื่องเล็กๆอยู่นะแต่วันหนึ่งเราพบว่าเป็นปัญหาใหญ่เหมือนการเสพเฮโรอีนนะดูเป็นเรื่องเล็กๆผงเล็กๆขาวๆไม่น่าจะมีพิษมีควันเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่เวลาผ่านไปเป็นเดือนปีนั้นยากที่แก้ไขแล้วครับมนุษยเรานั้นจะว่าเสพสิ่งต่างๆนะครับเสพอารมณ์ต่างๆนั้นที่ร้ายกาจที่สุดคือการเสพกับความคิดทุกครั้งที่ความคิดเกิดเราเอากับมัน ไปกับมันเรื่อยๆนะแต่ถ้าเราดึ ง, งความรู้สึกสดๆขึ้นมาคือย้ายฐานเหมือนผมบอกแล้วนะครับว่าจากฐานของตักกะแยกแยะตึกนึกคิดแล้วค้นหาอะไรยีย้ายฐานมาที่ฐานของสัมผัสจริงนะครับการย้ายฐานนี่เป็นงานใหญ่มโหฬารมากไม่ใช่งานง่ายเลยครับแต่ก็ สำหรับผู้ที่เข้าเข้าใจแล้วผมคิดว่าไม่ใช่งานที่ยากเปรียบเหมือนกับว่าการย้ายรังพึ่งสำหรับคนไม่รู้จักธรรมชาติของพึ่งแล้วคิดเข้าใจผิดย้ายพึ่งทีละตัวงานจะไม่สำเร็จด้วยแล้วเจ็โปวดด้วยนะฮะเพราะพึ่งมันมีพิษอาจะถึงตายก็ได้นะฮะแต่สาหรับคนที่รู้จักธรรมชาติของพึ่งดีเขาใช้ผลาชินีตัวเดียวเท่านั้นครับเอาผลาชินีของพึ่ง ไปในที่ใหม่ที่เราต้องการผูงพึ่งงานต่างจะบินตามไปเองครับข้อนี้ผมอุปมาเหมือนกับว่าความรู้สึกตัวนี้นะครับทุกครั้งที่รู้สึกตัวมันจะหลุดออกจากความคิดสมมุติว่าผมนั่งอยู่คิดอะไรเพลินถึงเพื่อนที่ตายจากกันไปหลายปีเนื่องจากอายุมากเข้ามันก็คิดเรื่อยเฉยไม่ได้รู้ตัวนะครับสมมุติว่ามีลมพัดกระโชกเย็นวูบขึ้นมาโดยธรรมชาติต้องกลับมารับรู้นะครับ เพราะร่างกายเป็นแหล่งเหมือนกับเลด่าะนะครับประสิทธิภาพวัยมากๆที่จะรับรู้แล้วร่างกายเป็นที่สถิตของความรู้สึกฉับไวนพอมือแขว่งนึงจะเย็นก็ะพิบตามเย็นวูบสีนะมันรู้ตลอดเวลาแม้แต่ความลืมสมมติเราลืมกุญจมันนึกออกมันยังนึกออ ก, กว่าลืมมันรู้จักความลืมด้วยครับ นั้นกล่าวได้ว่าธรรมชาติอันนี้เป็นสัพพันย์อยู่ในตัวมันเองคือมันรู้ได้มันรู้สุขพอสุขเกิดมันรู้ทุกเกิดมันรู้แต่ตัวมันไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าเมือินตัวตัวสภาพรับรู้ที่เป็นสุขเนี่ยมันจะรู้ผิดไปหมดครับแต่นี่รู้สุขรู้ทุกข์แต่ตัวไม่สุขไม่ทุกข์รู้เขียวรู้ดํารู้ดีรู้ดีรู้ชั่วรู้อ่อนรู้แข็งเวลาลืมก็รู้ครับรูว่ลืม เวลาโง่ก็รู้ว่าโงครับดังนั้นเราเห็นประสิทธิภาพอันนี้นะแล้วเราผดุงตัวนี้ขึ้นมาครับกระตุ้นในตัวนี้ทําหน้าที่กันทุกทีทีขึ้นมาทวงดุลกันก่อนกับพลังอานาจของความคิดนั้นความคิดก็พลังอำนาจความคิดกับพลังของความรู้สึกตัวเริ่มได้ส่วนกันนะตอนนั้นจะเข้าสู่กระบวนการบรรษัารคือกรงกลีนครับเริ่มกลงกลีนทั้งนี้ไม่ได้หมายว่าให้เราเลือกใช้ความคิด เราเลิกใช้ควคิดเราก็กลางต่อไม้นัทนทีครับเราปล่อยให้ความคิดมันคิดอยู่ครับแต่ทุกครั้งที่ความคิดเกิดเราต้องเอาชนะมันให้ได้มาตรการสําคัญที่สุดอันนี้นะครับเปรียบเสมือนมงกุฎของพระราชาท ว, ว่าพระราชาหมายถึงกรรมฐานนะครับเครื่องหมายของพระราชาคือมงกุฎที่จริงพูดเวลาคือจิตตานุปัสสนานะครับเป็นภาษาวัดว่าจิตคิดขึ้นมาต้องรู้ทันทีครับดังนั้นพอมันคิดวูบว่าไปให้รู้ นานเข้านะครับเรื่องที่คิดเป็นสืบถึงเรื่องจะสั้นเข้าสั้นเข้าคือคิดสั้นเข้ารู้ตัวไวขึ้นอย่าที่กลัวว่าความคิดสั้นแล้วจะไม่ดีนะเราสารวจลึกๆกัเพราะว่าความคิดมากมายส่วนใหญ่ที่เรามีในหัวขยะทั้งนั้นนะครับซูเรามีความคิดน้อยแต่ว่าทุกความคิดแจ่มใสชัดเจนนันดีที่สุดครับโดยย่อแล้วก็คือกระตุ้นความรู้สึกสดขึ้นมาเพื่อจะ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 อยากจะเรียนถาม ว, ว่าความรู้สึกตัวสดที่อาจารย์พูดนะคะเป็นอันเดียวกับสติหรือเปล่าแล้วก็เวลาที่มีความรู้สึกตัวสดเนี่ยจิตจะ ว, ว่างหรือเปล่าครับสองคำถามนะคะรับความรู้สึกตัวเป็นริงเดียวสติไม่สติจริงๆเป็นภาษาบาลีครับโดยตำราแล้วก็แปลว่าความความรู้ตัวความจะหนักนึกก็ได้นะครับแต่สติ ในความหมายธรรมดาสามัญ น, นั้นไม่เหมือนความรู้สึกตัวในที่ผมหมายความนะครับเช่นเราพูดว่ายื่นมือไปถูกแก้วโดยมีสติอย่างนี้อย่างนี้ก็ใช้ได้นะคําว่าสติแต่ความรู้สึกตัวนี้มันไม่ใช่เหมือนกับเรามีขวดใบนะครับอ๋อเรามีขวดหรือแก้วน้ําอยู่มีน้ํามันอยู่เต็มเลยครับ สมมติถผมมองดูสมมุติถ้าขวดนี้มันโปรง่งผมก็เห็นแต่ขวดไม่แน่ใจมีน้ำมั้ยเปล่าเพราะมันเต็มเปี่ยมไม่มีเครื่องหมายแบ่งแยกเลยนะพอผมยกขวดน้ําไปน้ําก็ไปด้วยครับนั้นพวรู้สึกตัวนี่มันมีอยู่ในเราตลอดเวลาผมยกมือในความรู้สึกตัวไปด้วยทุกคนคือความรู้สึกตัวครับเมื่อผมพูดถึงความรู้สึกตัวนั้นหมายถึงพูดรวม คุ้มๆเลยะแต่ถ้าพูดให้สั้นกว่า น, นั้นอีกซึ่งหมายที่ว่า ม, มันพัฒนาไป่ลยดับเมื่อเมื่อรู้สึกตัวมากๆแล้วมันจะละเอียดอ่อนขึ้นไหครับผมใช้คำความรู้ตัวในความหมายหนึ่งคือสัมปชัญญะนะครับที่ว่ารู้ตัวทั่วพร้อมอะไรก็ตามใจนะครับถ้าละเอียดขึ้นมากกว่า น, นะนั้นนกาเป็นรู้ล้วนๆครับรู้เฉยๆ สมมติถ้ามีลมพัดมาเนี่ยครับลมเย็นพัดพวูมาเนี่ยถ้ารู้ไม่เฉยคืออ้อมีลมเย็นพัดมามันคิดลุงแต่งด้วยครับลมกำมันถูกกายเราเย็นดีสบายดีอย่างนี้เรียกวู่ปแบบปรุงแต่งครับส่วนรูกล้วนๆหมายความพัดวูมาเนะนี่ยมันผ่านเลยคนระับมันไม่ไม่จดจําสิ่งนั้นไว้นั้นความรู้ล้วนๆความรู้สึกตัวล้วนๆนะครับท้าที่จริงฝ่ายพยาารณ์ก็เรียกพุทธะครับ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 จิตทุกดวงนะครับคือความตื่นแต่เราตื่นไม่มากครับขณะนี้เนี่ยเราต้องปลุกร้องให้มันตื่นมากกว่านั้นความตื่นอนนี้บางทีก็เรียกพระพุทธเจ้าไวโรุนชนะอะไรนะเมื่อมันตื่นสว่างสวัยขึ้นมาดังนั้นเราเป็นเม็ดพันธ์ของพระพุทธเจ้าครับเราไม่ใช่องค์พระพุทธเจ้าที่บริบูรณ์แล้วแต่ทุกคนมีธรรมชาติของความตื่นซ่อนแฝงอยู่ เหมือนเปรียเหมือนมเมล็ดพันธุ์ผักหรือมเมล็ดพันธุ์ต้นไทรนะครับถ้าเราหยิบมเมล็ดพันธุ์ต้นไทรมาชูให้เด็กดูว่าหนูเชื่อไหมว่าในนี้มีต้นไทรเป็นแสนต้นเลยเชื่อมั้ยเด็กบอกไม่เชื่ออย่ามาโกหกเดยกยากแต่เด็กก็ถูกนะเด็กไม่เชื่อเพราะลําลพันธ์ไม่ได้พื้นไม่มีอะไรจริงจนะแต่ครั้นผู้ใหญ่ที่รู้ความนะครับมีประสบการณ์ด้านปลูกต้นไม้เขาเอาไปลงดินแล้วระมัดระวังอย่าให้มแมลงหรืออุปสรรคใดเกิด ก็เกิดเป็นต้นสายใหญ่ใชออกลูกออกหลานเป็นหมื่นเป็นแสนไม่รู้จบเลยครับทั้งหลายก็สันนั้นครับมนุษย์ก็คือมเมล็ดพันธุ์ของพุทธะการภาวนานั้นคือการเพาะปลูกเราให้มันตื่นขึ้นมันช่างน่าแปลกจริงครับที่เรานั่งตรงนี้เราสลึมสลือง่วงพะใครผู้หญิงเปลือยขอโทษนะฮะเดินผ่านนัตืนกันเต็มตาเลยแต่ตื่นด้วยอานาจของอุปาทาน ทำไมไม่ตื่นด้วยพลังในตัวมันเองนะครับชาร์จพลังมาเองให้มันตื่นขึ้นมาเพื่อจะรับรู้โลกที่จังาสและชัดเจนกว่านี้แล้วเพราะว่าในขณะเราง่วงนอนความคิดเ้ารุ่มแตแลกลายแล้วเราไม่มีแรงต้านเราปล่อยให้ความคิดกลางๆทึ่เราไม่ตัดสนามเข้ามาย่อมหีขณะที่เราชื่นกระตือเงนนะี้ยหรือขณะเรานั่งรถไปต่างจังหวัดง่วง ไอ้ส่วนหนึ่งก็รู้ด้วยว่าคนมองอยู่นะั่นหน้าอายวัน น, น, นน้าดี่นหูนภาคคพนักคันหน้าแต่ไม่มีกําลังที่จะตื่นแต่พอรถชนเงินโครมตื่นจําสายขึ้นมาแล้นคันภาวนาไม่ใช่เรื่องพิสดานอะไรครับมันเป็นเรื่องที่ดึงพลังที่ซ่อนอยู่ให้มันตื่นยิามากกว่านั้นผมจะยกตัวอย่างหน่ยครับอุปมาหลายหายอุปมาเหมือนที่ต้องการ เราเป็นนักเรียนกันทุกคนนะครับเคยผ่านชั้นประถมชั้นมัธยมอะไรก็ตามใจแล้วส่วนใหญ่คงรู้เห็นการลงโทษของครูเช่นเรามาเรียนสายลืมทํากันบ้านครูก็ให้ยืนยกขาข้างเดียวบ้างปากคาบไม้บรรทัดบ้างเลี้าายวอไรเพื่อนแทแบแทรกมันดินหนีเลยใช่ไหมครับใช่หรือเปล่าครับเราก็รู้สึกอาเพื่อนรอก็ต้องไล่แต่ไล่ควนกันให้ยุ่งไปหมดยี่สิบปีให้หลังครับ เติบใหญ่มาเรียนหนังสือนันษาแล้ววันงานเพื่อนรุ่นรุ่นเล่านั่นแหละเล่าเพื่อนฟังอย่างคึกคลื่นในความเซอของเราเองเราเล่ามันอย่างคึกคลื่นสนุกมีความสุขต่อเรื่องขึ้นครั้งหนึ่งเราเจะบปวดแสนสาหาผมตั้งคำถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นชายผู้นี้เอาชนะความเจ็บปวดได้อย่างคึกคลื่นเลยน่าแสดงว่ามนุษย์ทุกคนนะครับ ซ่อนพลังความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคซ่อนวอย่างอย่างอย่างดีเลยนะครับแต่มันกินเวลาตั้ง20กว่าปีจึงจะฟื้นตัวได้แต่สำหรับบางคนนั้นเขาฟื้นตัวได้เร็วมากนะครับคำถามก็คือศักยภาพในการอยู่เหนือความทุกข์ศักยภาพที่จะทำให้ตัวเองเปล่งแสงที่ ที่ไม่ทุกข์บางครั้งผมเรียกอายะตนะที่สิ้นทุกข์นะมีอยู่ในตัวเราทุกคนขึ้นเพรว่าเราจะทํามันอย่างไรนะครับแต่ถ้าเราไปนั่งสงบแบบสมาธซึ่งครูอาจารย์ของพระเจ้าสององค์นั้นสั่งสอนท่านนะพระเจ้าจับได้าไม่ไม่ใช่ทางถาวกองเมื่นั่งสงบนั้นมันก็สัมผัสความสงบสุขได้ดื่มดําได้ แต่เนื่องจากเราไปสะกดกดทับมันอยู่มันแสดงตัวเหมือนกับเราออกพีบคลุมหัวแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีคนในห้องนี้ซึ่งไม่ตรงดังที่เป็นจริงเลยนะเพราะสงบชนิดที่เกิดจากการกะทมนั้นไม่ทิ้แท้าทาว่ามึงไม่ได้ทําหรือในโอกาสในสภาพล้อล้อมใหม่มันก็ไม่สงบแล้วข้อจริงอันหนึ่งซึ่งน่าตกใจนะครับคนที่สงบมากๆคนจะนิสมัยหนึ่งอนะ่ะร้ายกาจมากนะ ก็เก็บกดไว้ตลอดเวลาพอระเบิดออกมาทีนี้เอาไม่อยู่นะี่จริงมีความสงบอีกอันหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่เฉลียวใจสงบเพราะรู้ตัวครับเหมือนกับว่าคืนหนึ่งเรานอนหลับฝันว่าวิ่งหนีผีหรือเสือจะกัดในฝันเราตกใจวิ่งหนีสุดชีวิตเลยนะครับสุดแรงเกิดแล้วกลัวด้วยนะแต่พอเราตกใจตื่นหัวใจยังเต้นอยู่นะ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 คือการทวนกระแสเพื่อให้เข้าถึงต้นต่อก่อนหน้าที่ความคิดจะปรากฏขึ้นแต่เรื่องทั้งหมดละครโรงนี้อยู่ในตัวเราครับไม่เกี่ยวเครื่องแบบการออกบวชทุดงไอการบวชทุดงส่งกระดีมเป็นรูปแบบพัฒนธรรมนะแต่ว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นละครที่ปรากฏขึ้นในจิตของเราเซึ่งเราต้องจัดการอย่างโดดเดี่ยวทีเดียรครับและครนี้ผมหมายถึงว่าไม่ใช่ห้ามการคบเพื่อนการมีกร ะ, ระยามนึกนึกสิ่งที่ดี แต่ว่าไม่มีใครยื่นมือขึ้นมาได้ในตัวเราเรื่องมันเกิดในเราต่อพระพุทธเจ้าสิบพระองค์นี่ครับท่านช่วยเราไม่ได้เลยครับผมไม่ได้พูดได้ทอแท้นะอย่างผมผมนั่งอยู่อย่างนี้นะฮะผมกระพริบตาทุกท่านก็สังเกตไดต้ว่าผมยังเป็นๆอยู่ยังไม่ตาผมแกล้งไม่กระพริบตาจําผอดหายใจไม่ได้ทัานคนที่อยู่ใกล้ก็สังเกตเห็นว่าผมยังเป็นเป็นอยู่อ๋อผมแกล้งหยุดหายใจด้วยนะ ผมคิดอะไรรู้ไหมครับถ้าผมไม่ดูสักคนเดียวนี้จะไม่มีมนุษย์คนไหนเห็นอีกเลยนะีี่ความคิดเกิดแล้วพราพุทเจ้าก็ดีครูก็ดีนะธรรมะแปด0มืสี่พระทัพแปดหมสี่พันยืนข้มาไม่ได้เลยครับมีคนเดียวมีธรรมชาติหนึ่งเดียว